เป็นเรื่องของเป็นตายคํามภพข้าชาติคุณจะมาทําเล่นไม่ได้คุณจะจับพระที่ทำงานแล้วไปเป็นดาราแบบพวกคุณพระก็จะไปยืนอยู่ไหนชาวบ้านตามรุมล้อมไปหมดพระมาก็โดนไปหลายโอมเหมือนกันได้ศึกไปหลายโองเ์เพราะว่าอะไรฝึกยังไม่เสร็จแล้รีบไปตั้งสำนักรีบไปเผยแผ่นะแหละไเช็ดวิชัยไม่จบวิชานะแต่อาจารย์คุุกินีท่านทนอยู่ท่านยืนเกิดมานาน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 ชนชั้นมากเกินไปนแล้วก็สังคมไม่รู้ไม่ทันเขาสังคมชนชั้นก็พาไปเป็นเครื่องมือถ้าในที่สุดแล้วก็เดือดร้อนกันอย่างนี้นใช่ไหม <S <S เพราะฉะนั้นเองอมาเองก็เรียกว่าถูกหลายฝ่ายติดตามอยู่แต่ว่าจับตัวแตามาไม่ได้ว่ามาหลบไปนู่นลบไป น, นี่ก็จับตัวไม่อยู่หรอกเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าถูกตามลาม่าเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ใช้พระธรรมป้องกันตัวเอง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 2,000-3,000 ก็ได้แทำกุติมุงยาคาพอได้อายไยไม่ไผ่เรามียื้แยงหลัง น, นั่นเองฮะแต่หลวงพ่อทำไม่ถึงนะ <c oughs> พาะ อ, อะไรพ่อยาคาเราก็ไปจ้างเขามาไผยเองเอามาทำยาคาไ้ที่นั่นเยอะเลยแล้วก็ทำยาคาถ้าเราไปซื้อก็ต่ำาิบ้าบาทพอเราทำเองต่บแล้วเจบาทอย่างนี้นะแล้วก็ประหยัดกันเยอะ